คนว่ายน้ำส่ะไบบ่หลงทุนนข้าแหงหน่อยข้าวเนแห้งไปทำมาครับอยากซีเรียสใทางทดสอบพอเอาไปเรียนเสียนเดินขาเรีนบัสเรียนเบื่อชาไม่ีทุ่นทุ่นของข้าสะโพกได้เ่มอพอแม่ปันไห้ข้าต้นจายไปแ่ก็ปั่ให้ปั่นหน้าป่นหกวั่นช่วงในข้าวตามเลยตามไม่ยุบ้นคึ้นเดียดก็ปันให้ข้า มหขของอย่างไปทำมาะอย่างีวิต่างชิตเราพะุทธพระรระสงค์เป็นเจ้าขใจซีวิและบรลวงล้วหมดพระพุทธพระธรรมระสงค์ล้าท่างจะเห็นถึงเหนื่เป็นพราะเราบนเรื่มเบื่อทำมาฮะอย่างชีวิตใน่างพระสงบไปตลอดเจงกัได้ก็ไปตลอดสมาอาชีวะอย่างชีวิตสอบเมื่อเร่องชีวิตสอบเราทำมาทำทางรายฆ่าจะเป็ัสะว เสมออย่างเช่นบอสอดท่านทารกยของพะจบัตสดบอสวเม่เป er ็นครูันครับธรรมะถ้าไม่เป็นมนุษย์นิบาศกับสวรรค์กับวิบัติแล้วไปยังมนุษย์ประเภทเป็นมนษวิบัตรบ่มเป็นสวนรควบัติระบบมเป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์วิบัติสมนุษวิบัตกับสวรรค์สมบักับพบักับรนิพพานสมบัตครบกเก้า้กับธนุษิบัตกับสวรรค์บั ตอนนี้ผ่าในบั lifespan, elevator, ตรของกอลขางม่ได้มีบัตรไปจักรดิจิตใจอ่างๆกับมกข้นมกขุนทานมกติชี้กับอะไเห็นท้ายเสียหายเห็นหน้าเสียหน้าเ็นเนื้อเหัวเห็นเส้นเส้นหลวมหลวเลือฟูเข้าเสียงเชียงอะไรเอะเนแยล้วกฟูกเชื่ออะไรก็ไม่เยอะเลยเอ๋อขนมขนมอะไรเชี่อะไรนี่ยคือสามมือจะข้าวอุ่น้ไหมหน้าต้อยใส่างเรี้ม นองชมนั่นเขาเนี่เอาอะกอะมันจะช้งนน้นั่นนสวมมันบอลจะใ้เยอหมอกเยสวนย่างันก็รักแขหน่อยเนี่ยนั่นแหละะใช้เอที่บนี่อหเอม ค้าค้งนค้าผ้านก็คาเมินที่ยที่ดิยู่หนอเที่ยงจุดูจุกับทุดคือเสื้อขเที่ยงสองนไม่เสื้อเลยนเป็นจุขาของมากแต่รายวางไงแตสนัหน้าเราขายหนม่งนอมม่เราขามันึ่งย่างย่างมากือบสองน้านได well, ้เลยนัดท่ายหน้าที่เหนือ่ัวเสือลดจัดโอ้จัดสีแมบนี้มันเยอะเลย มันก็สัมปัน่มงว่ามองไงมเสียงไม่งมองเสียงูเสียงเขจ้าเนียนะเขาจะเจ้าเขาจะเจ็หาวมันมเสียงผู้คนมันเสียงเาเสียงเขาาขงนแล้วมวนเขาในวงจเนี่ยมองว่ามันไ้แสไะหดอะนี่อย่าเงี้ยแล้วมอสีมันะพยอไร่างเงี้ยไม่ไมไม่นี่ไม่ได้มาชิดมาหน้านี่นี่นั่นร่ะ เดนเลต์เดินเลต์เดินเฉลต์ดพออีแหนเลยล้มนงียบเสเียาทโ่งอาบนทั้งโจ่นอมว่าึนคเอง่็นปีเป็นเือนมากลยล้มียบ้าคืนีแต่คงาทหเาขาบกอ้โหคนมีเงินเ แล้วลามก็นึงเขาจะรู้ความหนึ่งก็เแยเก็เป็นคนแรกเขาบอกวาเลยเป็นวิชาชีพนะเัรื่องลงเครื่องผิหอยทเครื่องศิลปะเครื่องเคร่วอะไรชัวร์มันผิมาเห็นงานอำอยู่นั่นกับบุกงงคาสัตมพอหัวหเจมีเปลี่ยนนี่เปียนเปนแงมากเนี่ในนักกู้นแล้วผูกับนายรับไม่เื่อหรอจะของเองอวมขีดวะไอ้ผู้อ่านหนึ่งมาสังเกตดูแล้วก็พผู้กับผิดื่อ สุดท่าหมันยังเหงาแล้ว่เหอมดม่สังดรไม่ที่ก่ครูก right. ็อื่นแล้วนอ่นเมันตะเยบงไหนมันะเกยบงไหมันเลือกมันกัดมัอกมาเ็บมันมัมันกระช่างเสียมันเสียง่เนี้ยเขาเ้สีงมะร่งเสียงมะรุ่งเีที่แตกอ่านี้ันงมดมันเสยงบย่างไรสั่งมัเสียม่งร่งเสงที่แตกเนี้เยบว่าเงียบ้มีอะสูตว่าทว่ คับอีกแล้วเนี่ยเนียเขาหลอกเอาเฉียดญี่ปุ่นคูอยิ่งหรือว่าเขาตนดีผู้ใช้ผู้กันเพราะหารราชนี่มันจะไปนี่จะต้มก็ตก้มเนี่ยทุ่นต้มจะเพื่อผมเพื่อจะชินแค่เพื่อหอกกระดูกผลต้มแต่ถ้ามาข้าใดเงีนมาได้เขาก็บมาหายเงินจะหายท่านหาก็พาหากิ น, นเกลือเมืองเขาเาะอะไรด้ย ลมนองรากเ่้ชักขนาดหัอท้อที่หลังเล่มหัวก็บุ้ักก็จักเย็นมันมันเงี้งเย็นเงยหอดเชื่อชื่อตายให้เราเย็นเพระว่าเย็นเขราว่าสิแพ้งเนี่สเขาเย็นนะบ้ักก็ักลอยบาทต้องเยนองเขาบัติมาเมันกัมันก็แห้มากมันก็ให้งเงี้ยสอย่างมากใบวิสาวิแชมันจะเย็นแบบนี้แหละนั่งนั่งกระโดดหน้าต่างตายรับแขกบอย รับแขกเั่นเดือนจต้องเขาคนเฮา่รับจะซื่อเมื่อนต้นเขาเขาว่าหาเฮาหน้าหนาเขาาไปกินมดดมดก็คือกระตหน้าต้าต่ายแล้วมันขนาดไปจากไปจา ก, จากาานั้นไปจากอบางยมไปจากเรเลกเนี่ยก็สุก็สุดแบบเปิดเปิเปไปปรทญี่ปุ่นไปจากอันนี้ เนี shorts, ่ยชนะขนชนเช่นกัไปจากอันนี้พานี่พราะทรงอขาเราผม่รอเชบัตะหมืนันไม่ต่องไปจากคบว่าใงเขาต้องสามเดือนแ้วอะไรได้เขางอนไปแล้วกันทรงเขอนไปแล้วอันนี้เป็นนิสัยจิตต่อแถววันคาเล็ตรงชนะขั้นเขาม่เป็นไที่มันเลืกตงไปเอยุเราเขาต้ยึดวางยึดวางอีกตัวยึดท้ายยึดหน้าอีกตัวนี่แหละเรถาม ข้าวไปจักดหน่ี่ให้พ่อแมฝันหายหน้าพ่อแม่ปันายของแาอขโค้งหมดพ่อแม่ฝันหาตรงหัวหมดตรงตึแต่จอนง่ายน่ายบมไม่ยั่งไม่ใช้าอยู่ยังเงี้ยงขาเงี้ยเี้ยเงี้ยง้างเง้ยงหยุี้ยงไม่ยั่งเลยออกไปมดอยามือห่องนกักอะไรูกล้วนึ่น้าถ้ามาาอย่างในทางศกาในปลูกพักปลูกไม่เรียนเบียห้เรียนทั้งสั บุกพับบ <c ười> ุกหูมันกได้แล้วไม่ชดินเรื่องคมุ้ไม่ใช่ดิมดทางเลยล่ไมุ้งความฉ่ำนั่น่เศร้าแ้าไปตลาดเขาจะซื้อก็ขายไปฉ่ำหนมานั่งสีดีนั่งสีดีก็จะไปขึ้นตอเอาเงินเล็กเงินาเนมัดกงินเว๋วอุ้ยจุกําเด็จุกกำจุกกำลูกกำหลานนี่เงี่นอเาวุฒิเท้่อาเทาวุฒิเท้าอรมาบังโดนหาใจ ม่ใชนเจ้าก็ปล่อยหลงเอตใจจขอรมาบ้านว่ล่ะเขอรอแล้วก็ปล่อยหลกเอตใจเรา้องเลไม้ไม่จะออร้านเนี่ยมันชอกบบยอมเจก็เป็นสาเียงมจะออร้านัขร้องหลานมันมันก็ถึงใจันนั่นมัน เย็บเย็บกีดังผมันจะค่อยมันพอดีมั้มันชะ่เฉียบเฉบงเชียงอย่างนี่ไรสสมัยเยบยบกีดังว่าจะเข้าหรอมันจะค่อยเชียกันหัตว่าอะไรหลานเอ้เข้าเ้า้าผัวกเี่ยเป็นเมียกเี่ยเป็นลูกกะเลรี่ยเป็นผัวกเหี่ยเป็นเมียกะเลี่ยเป็นลูกกะเลี่ยนเป็น นั่นนี่ไล่ได้ผมี่ฮะนี่ถ้ากินกินน้าเสมอเขาเรียกเอาไปกินน้ำฝากกินน้าเขาลูกเขาือเก็บป่วยมากเนเห็ทังไหนฮเาเก็บป่วยมากเห็นทั้ไหนตายมาเห็นะฮไปเรียกวัดผมี่เขาแฝให้พระตาย่ากแม่บกพูดแต่เขาถือข้อว่านพรไปจูงเอาพราไปจุงสมเราพ่เขา็ไฟให้พระเนียใช้ห้าวเไปเนาะกรมาฐานว่าไ้จูงเน ในภาคกัตถงบาคนเขาทำประสงสมัยนะอ่างซีในกาตที่สอบ ล, ลูกได้ร้าเลยมั น, นมย่างกิจเจริญใครมายังมาอีกคืเบอ่ยนี่จะคนคนสิเรียกคือนกันบอกบอกแล้วพวกสิเรกจะมากว่สาสันบก เาพรกุทํพปธรรมะสงค์เป็นที่เพลิงหลกเลยลามเลยเมื่อดเมื่อใดพอดีพอาการถวายที่เ็กแก่พระทธารรมะสงค์ท่านมาไม่มีมามสามต่อสอบช่กยช่วยฟาดเป็นจากช่วยในวัดเจ้าสงสารในสงฆ์มาไม่มีกามางสาเถือนเอายพวกหน้าหันไม้แส่ตาใส่ถ้ามันอุปมา อยากราบว่าคุณล่ะควรจะดูด right? <se> <nuevo> ีแค่ไหนเรามวัยตัวที่นำไปตานางประสปฏิบติมือที่ต่งมื่ต่งะไรครับช่ใชช่ใช่ใชลายตัวไหนเจ็บแข่าัดเาจ็ปวดเข่มันไปหลายเดืนสองสามเดือนแล้วเข่า เรา่ไ้สนใจอื ม, อ ม, อมเ่สนส อ, อ, อเนาะิตเจริญสร้างโอเทเงินสร้าง่นทำไมรัฐบาลคนเอาเงินหวงเรียนเขาคนเอาเงินกระเป๋าประชวคนม่นได้สูงไรบอกชาวออก ว่าจริงคนก็นไม่อยากเรียนดอาะมูโตนึ่ก็พักกับมาเรียนกันสีเดือนมาเรียนมาซื้อเข้าพี่เข้าที่เอาเข่าหลวงเป็นมาันเนาะอย่ก็มู้โตไปเสีเรียนไม่ซื้อมั่เซวากันเนาะว่จริงคนก็่อยากให้เข้าเรียนเนาะชววันเท่านั้นชื่อ่าซัพนก็ไม่อยากให้านนา ค, ค, า, ค, า, คาเนา ไม่ชอบคาสอนในพุทธศาสนาเราคาสอนเาพุทธศาสราสอนขั้วหมดแล้วสนมนุษสมนบัตรขั้วหมดแล้วสอนสมบัติก็สอนหมดแล้วพมสมบัติก็สอนหมดแล้วเมื้อผานสมบัติก็สอนหมดแล้ว ทัฐศาสตร์านเป็นมหาพัฒนาพัฒนาทั้งวัตถุนิยมด้วยพัฒนาทา้งอารมณ์ติด้วยนี่คนกรุงเทพไม่มีสักคนรอนเกิดที่กรงเทพไหมหบอก่าร่องีเจ๊งข้าอัน พูดาสาอสารฟังออกดออกคำสอนในใในใจห่าไม่ชอบคสอนพ่ศาสนราพ่อทศสาสอนหมดใครจะเก่งขาดซักเรื่องไหนเดวาตามจะเป็นปริาปริญญาทีโชเอกอะไรก็ตามก็ไม่ชอบคาสอนหลวพทศาสนาพ่อทศสารสอนกหมดแล้วสอนมนุษย์กเอาดีๆนี่เองไม่ให้สอนผีทีไหนต่อทั้งเทวดานมนุษย์ทั้งหลาย ยังทรงคณาเมือศรัทธ า, าเทวนุษษษสทานังเป็นผู้สวนของเทวดาและมนุษย์ทั้หลยบริบูรณ์แล้วเชื่อทั้งหลายอย่าสงสัยเถิดจงเอาไปจิตไปปฏิบัติแล้ได้ออกของคิดว่าจะปฏิบัติแบบไห น, นหนอจะคองชี้แบบไหนหนอไม่ต้องออกของคิดคองชีช้แบบท่านเองเป็น อ, าษษอาบายสมุคชักหรืว่าของชี้ถูกค่าขายก็บอกแล้วค่าขายเครื่องอาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายจะเป็นเรื่องสารี่ต่อค่าพเป็นอาหารค่าขายน้ำมันค่าขายยาพิษอันนี้ไม่ควรเนื้อ บอกแล้วครบมิก็บอกแล้วมิตรเด่นอาบายยมุกอยากเป็นครบถ้าเป็ครบเขาก็อยามให้กระเทือนเขาบัรทินาบัรทิตาบัรทิตาปริณายกาบัณฑิตกันคนหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าพระก็มั่นกันผู้เป็นหัวหน้าบ้านก็มั่นกันผู้เป็นหัวหน้าประเทศก็มั่นกันก็ต้องเป็นบัณทิตไม่ใช่คนผ่านบัรทิตาปรินายกาม นัี้พรางพัฒนายาะาคน่านไม่ใช่คนหขวานจิตจิตใจที่ของเราที่มันเป็นผ่านแล้วก็เป็นคนคบมันมันชวนไปเล่นเรียกว่ามันชวนไปเล่นอบาลยมุกเป็นอื่นอีกมั่อนเข้ามันมันชวนเจ็ดขั้นว่าอย่าไปคบมันเิตใจมันเป็นอย่างนั้นต้องไล่มันหนีในด้านพลังวัต มัดกามัดเข้าปกติกับใจเพราะพุทธศาสนาสอนสิทสอนใจไม่ได้สอนอันอื่นทุตโธธรรมโอทั้งโคประทรงอยู่ที่ใจนอกจากใจมันมีอะไรจะเป็นทค่พึ่อของใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําลายใจใจท่านจะเป็นเพื่อนของใจได้เพราะพุทธศาสนาสอนพระพู้เป็นเจ้าเป็ผู้สร้างเพื่อพระผู้เป็นเจ้าคือใจของเราสร้างดีของเราสร้างสว่าของเราถ้าเป็นเพียงสรางสอนเฉยๆหรอก เนือนอนก็นอนเองเนื้อน้ำก็ดื My My ่มเองมนื้อข้าวก็ทานเองเราสถาค้อจะทแทนไม่ได้เป็นเพียงบอกเฉยๆเพื่อนเก่าของเข้าให้เข้าใจกายของท่านทางไรอย่าไปนึกในทางชั่วเนอะมือของท่านทางไรอย่าไปทําชั่วตายของท่านทางหลายอย่าไปทําชั่วให้ทําดีสิเพื่นเก่าของเข้าสอนเขาเพื่อนเอากายเพื่นมาเพื่อนเอาใจเพื่อนมาเพื่นกสิใจใส่ใส่ไม่ให้ห้องคน เราของเราสอนเราเอาของพวกเราสอนเรานน่เองคนดีความชั่วก็อยู่ที่ใจของเราเราทําดีมันก็ดีอุดที่ใจเราทำชั่วก็ช่วอยู่ที่ใจคุณอย่างเท่านี้อกอนด้านอะไรอย่างพกทุกประเภทศต้เคื่อนชิวหายอยวาไปล่วมเดี๋ยวาไปล่วงแล้วลเมื่ พระบรมศาสดาได้ประสบการณมาแล้วจึงได้มาสอนพวกเราไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ประสบการณ์และเราก็เห็นอย่างนั้นด้วยใครไปร่วมอาบายมุกมาเห็นด้วยมีแต่ชิ้หายเท่งนั้นแะ<ม>หนึ่งไข่สองไข่สามไข่ไม่มีธนาคารอบายมุกก็ไม่นี้ ม, มีแต่ธนาครารมันคาดมันไปไม่ไหว เอาทางรัฐมักชี้ภายทางรัดเรไม่พูดนั่นไม่ได้หรอกทางชีมหมายทางรัดเราไม่สงสัยในคําสอนพุทธศาสนาเลยใครจะว่ารัฐที่ใดก็ตามรัฐที่อื่นๆไม่ได้เดินสมถะไม่ต้องเอามาปนเปกับรัฐที่พระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาะสอนครบหมด ทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัตรทั้งนิพพานสมบัตรทั้งพรหมชับัติทั้งในคว า, ส า, สานาสมบัติด้วยนอกจากพระพุทธศาสนาเนี่เป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพรหมวิบัติเป็นนิพพานวิบัติเป็นส่วนหน้าทุกๆุคทุกสมัยอ่ะทุกทุกๆพระองค์มาสอนอันเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนพหลรบกันจะมาขี่ร้านพระองค er, ์ก็มาสอนคำเดียวกัน เป็พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันจะมีกี่มากองค์ก็ตามก็เป็นสอนคำสอนอันเดียวกันเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนจะมาเป็นทุกยุคกี่ลล้านก็ตามพระริยธรรมพระริยสงฆ์ก็เมือนกันมนความหมายอันเดียวกันเนซั ส, สมโสนันตุเก็ทําเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เรายินดีในศาสขขนาท้าโคดมก็เท่ากับว่ายินดีในศาสนาพระพุทธเจ้าทุกๆ อ, องค์ก็ม่ความหมายอันเดียวกันเขาไม่ได้เปลี่ยนพรราชบัญญัติกันเราเป็นในอันเดียวกันชี้สมาธิปัญญาก็อันเดียวกัน คำสอนก็อันเดียวกันผลของที่รับที่ทําดีก็เป็นคนอันเดียวกันเหตุที่จะทําดีก็เป็นคนอันเดียวกันเหตุที่จาระทั่วก็เป็นอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันไม่ได้บุกท่องไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมท่านพุทธเจ้าองค์นั้นสอนไม่ได้ร้อยมันเราเราจะเพิ่มขึ้นอีกไซักชิ้คข้าวบดหนึ่งไม่มีเราจะตัดออกอีกซักชิ้คข้าวบดหนึ่งก็ไม่มีไม่เหมือนคนไม้คนหมูก็สักคนทวกของเรา ก้อนไม้ก <Dragon> ้อนงูก็อพักก้พวกของพวกเราจะป้องกันทั้งโลกก็ตามถ้าโลกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสินไม่มีธรรมมันก็ไปตกเขี้ยววหมดเพบัญญัติก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์บัญญัติก็ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มัญหยักก็เป็นประโยชน์ก็มีมันไม่สําคัญอันหนึ่งมันสําคัญอยู่กับผู้ที่บัญญัติที่ไม่มีขีเรศพระธมท่านพระเจ้าไม่มีขีเรศเป็นผู้บัญญัติทำเป็นผู้รู้ทำด้วยทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนว่าบุรุษมิศาลก็ด้วย เพราะเราภาษาศาสตร์ช้คำรบจำจึงเรียกอารยศัพท์จับทำเป็นทำมันไม่ตายลงไหนมาก็สอนอันแนียวกันลงไหนไหนมาไม่ได้เอาอันอื่นมาสอนหลักแกนของโลกคืออะไรคือคําสอนในพุทธศาสนาใครเป็นผู้ปกครองโลกว่าคําสอนในพุทธศาสนาเป็นผู้ปกครองโลกเําเป็นโลคบาลคุมครองโลกสองอย่าง ความละอายตบบาทความ ก, กลัวตบาทเท่านั้นจะปคปกครองโลกได้ถ้ามันไม่ยังอายตบบาทไม่มีความค ว, มวัวตบบาทแล้วทำความผิดได้ชี้แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับพระพุทธศาสนาปกครองโลกแต่โลกไม่ยอมให้ปกครองก็เป็น ค, นความผิดของโลกโตุ่นละมานกันอยู่ตุ่มมุมโลกเห็นไหมพวกที่ถือมาไม่มีบาปไม่บุญไปได้ไหมไม่ได้ไหมไปไปไปไปไม่ได้เราเห็นกันอยู่ข้างหน้าแล้ว คุณพแม่ไม่มีคุณพ่อคนแม่ไ MM. ม, MM. ม่มีเชื่อบทเชาว์ราเขาเขาไปส่งสัรเสริญด้วยเด็ดผู้ชัวันฉลาดนี่สายบางมาแล้วนี่สายสร้างมรดกมาแล้วมันก็ไม่โอ้มันกันโกหกทุกรรื่องแต่คนโง่คนดีโกหกไม่ได้คนที่ทสร้างมรดงนี้แ <ẩ, S 2> ียข้ามาแล้วโกหกไม่ได้ คนตาบอดก็โกหกคนตาบอดตามคนตาตาดีแล้วโกหกกันไม่ไดไ้ตาคือตาปัญญาบอดก็คือปัญญาบอดพุทโธอยู่ที่แห่งเดียวอยู่ที่ดวงใจธรรมโมก็อยู่ที่ดวงใจสังโกก็อยู่ที่ดวงใจทดลองพุทโธธรทรมโมสังโกก็เป็นเชือกสามเรียงอยู่ที่ดวงใจ เวลาเรากราบเราก็กราบคุโตรสมมทงังโกนอีกคนตายกราบไม่เป็นคนตายก็ได้เลื่ถึงคุโรทโรธโมทังโกเป็นเพราวิญญาณมันไม่อยู่ขเขราะวิญญาณมันไปที่อื่นแล้วทำดีก็ทําให้ใจทำชั่วก็ทําให้ใจมีจริงไหมมีเวิญญาณผู้าถามหาก็เอาเวิญาณถามเอามโนวิญญาณถามผูโนโนม้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบ ถ้าไม่มีวิญญาณทั้งสองฝ่ายแล้วก็ถามกันไม่ได้ตอบกันไม่ได้อีกเหมือนกันคนตายถามกันไม่ได้ตอบกันไม่ได้พเพราะวิญญาณมันอยู่ในที่นั้นถูกไหมนะผู้ถามก็อมโนวิญญาณถามผู้ตอบก็อมโนวิญญาณตอบผู้ถามก็เป็นคนถามผู้ตอบก็กเป็นคนตอบเองจิตจิปนเป็นคำบาลี วิญญาณก็เป็นคํามมาดิใจแปลเป็นคําำใยแล้ววิญญาณก็เรียกหัวใจเหมือนกันจิตก็เรียกว่าจิตก็เรียกเหมือนกันวิญญาต้คุยวิญญาณสุาติวิญญาณคณะวิญญาณชุมพนะวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญา ณ, ญญาณก็จะเข้าในดวงใจเหมือนกันก็มารวมอยู่ที่ใจจิตก็ว่าวิญญาณก็ว่ามโนก็ว่า มโนธาตุก็ว่ามโนธรรมก็ว่าวิญญาณก็ว่ามนุษย์ก็ว่าคนก็ว่าปลาก็ว่ามัดช้าก็ว่าอันเดียวกันไปชื่อไรอันมันใช้ชื่อไรอันไมน่้อันเดียวกันไอเก้งคนนี้จะฟังไม่ออกหรือออกไหมหรฟังออกไหมออกไหม อยุทยาเออเอ่อถ้ามาอยู่คนแก่นชุดปีแล้วก็วางออกแล้วอยุทยาถ้าไป ม, มาอยู่นานก็วาไม่ออกนะ <Okay. S 1> ฮึไม่ระวัรู้จักดนไหมมาอยู่ที่นี่นานรูๆๆน้จักไหม เจ้พยนต้นป่วยเยอะยค่ไหนท่าตัวเราไหมเออโรคอะไรเออท่านไปอยู่โรงพยาบาลสมาชิกไช่วยได้บาไม่ได้บ้างใชว่า เชื่อได้างไม่เชื่อไรว่าเพราะมันเป็นวุปกรรมถ้าเป็นโรควุปภกรรมช่วยไมได้ไม่ทุกคนต้องใช่เช่นพระบรมศาล า, าโลกวุปกรรมขององค์ท่านโรคิทธิหลวงสวรรค์นหนักถ้าเป็นโรคฤทธีหลวงสวรรค์ น, นักแล้วก็ไปชั้นม้งวังของนายจุนทะคำานบุตรแล้วก็แสไงกันก็ก็อาเจียนเป็นเลือดลงพระโลหิตคำว่าลงพระโลหิตให้พระเกียรติพระนาม ลงพระรองเห็นก็คือไอเจนเป็นเลือดก็เคืถ่ายเป็นเลือยนั่นเองเฉวาะลงพระรงซัดเทคในตอนเป็นเมืองกุชินารามก็สิ้นลมตายในวันนั้นคือชาววังกับุป้ประกขององค์ท่านเคยวางยาเขาผิดเคยเป็นหมอคนไข้าตายด้านชาติกองกอที่กําลังท่านกําลังสร้างวารณ์นี้อยู่เคยได้วางยาเขาผิดคนไข้าตายด้วยไม่มีเกียรตนาทุกอย่างนั้นมันยป็นตามไป ต, ตามไปมันก็ไปพบเจอิญราษฎรเพราะท่านมีนมอุปทานอยู่ในข้หค้าเลยตามไปมันก็ไปพบเจอิญรางมันก็ไปพบท่านเพราะท่านจิตของท่านพ้นจากเกลียกไปแล้วคล้ายๆกับก า, า, างเกงของเราเี่ทิ้งแล้วเนี่ยแล้วที่นี่เขาโกรธให้เราเขาตามไปเขาเอาไฟไปเผากางเกงของเราเราจะเก็บไหมเนี่ยเรก็ไม่เก็บเพราะเราทิ้งแล้วเนี่ยถูกไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยเกี่ยวกับเรื่องการรู้จกัก ท่านวัดกิเล ด, ดไปแล้วพระโมฆาของมันท่า น, นท่านวัดกิเลสไปแล้วเขาไปตามไปฆ่าท่านมันก็ไม่ถูกทัานมันก็ถูกจากขั้นห้าไ ม, ไม่ถูกทัานซักท่านพ้นจากขั้นห้าไปแล้วมันจากโูกเวทนาสัญญาทั้งขาสัญ ญ, ญาไปแล้วเรีย น, นหน้ามไฟเราไปจงกากรเป็นกาเยาวรูปเวทาความสวยอารมณ์สุขทุขเบีข้าเป็นเวทนา สัญญาความจำลูกจําเสียงจํำจิ่นจารสจำโสดสัพพะจําธรรมารมณ์เป็นสัญญาทั้งขานความปรุงแต่งแห่งจิตให้ดีให้ชั่วทั้งไปขี่อ่ากลางระหว่าสทางขันวิญญาณกระทุกลกกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นแยกจักปูวิญญาณแล้วกระทบหูสัตววิญญาณจีนกระทบจมูกขานวิญญาณรบกระทบรื่นชูหาวิญญาณกายโสดสัพพะกระทบกายละกายวิญญาณธรรมารมณ์กระทบใจเท่วกับมโนวิญญาณวิญญาณทั้งหกนี้ก็รวมเข้าไปหามโนวิญญาณ สัมผัทั้งหกก็รวมเข้าไปครมาโนสัมปัสเวทนาทั้งหกก็รวมเข้าไปมโนวเวทนาสัมภาษณ์ชาวเวท น, นาสังหารเราเี้เนแล้วับแต่วนไม่เสียสละกันอยู่ใจอำนหนักอันใจเกิดขึ้นแล้วก็แต่ควรไม่เสียสละนักท่านถามว่าภาวนาไปจะข้ามเวทนาได้อย่างไรเออถ้ายึดถือว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันก็ข้าไมไดครับถ้าเข้า ข้ามเวทนาต้องข้ามด้วยปัญญาข้ามด้วยสมาธิก็ข้ามได้นิดเดียวเท่านั้นแหละย้อนสมาธิออกมามันก็ปวดเหมือนกันฮะมันต้องเห็นอนิจจังชัดมันต้องเห็นทุกชัดต้องเห็นอนัตตาชัดสมมติว่าเราคานองพูดอยู่เดี่ยนี่พอพูดขึ้นแล้วก็เป็นอนิจจังทุกคําพูดก็เป็นทุกขังทุกคําพูด ก็เป็นอนตาทุกคำพูดเกิดดับเรลวที่สุดมันจดับเปลวปัญญาเขาให้ตตามนจริงนี่ตามจริงสติตามสติจะไม่มากก็ไม่คัดข้องปัญญาถ้ามีมากถ้าสติไม่ทันก็เกิดทุ่มสร้างนัอนกันสุ่มสร้าิ มาพร้อมกันแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องงานใหม่เป็นงานเก่าของเราไดดีจะพูดช้าหรือเดียวก็เป็นงานเก่าจะพูดทํำละเอียดหรือยาวก็เป็นงานเก่าก็เป็นวจีสังขารสิตธะสังขารมันเก่าเกิดก็อย่าว่าเป็นของใหม่ก็เกิดอันเก่าแก่อันเก่าเก็บอันเก่าตายอันเก่าเขาเกิดขึแปลปวนแล้วแจกสลาอยากเข้าใจว่าเป็นของใหม่เป็นของเก่าได้เองหาระหว่างไม่ได้เขาเกิดขึ้นแปลปวนแล้วแจกสลายหาระหว่างไม่ได้ความไม่เกิดขึ้นไม่แปลปวนไม่แจกสลายก็มหาระหว่างไม่ได้ เป็นจริงอยู่อนั้นท่านสองเงื่อนเธอจะรูดทําเป็นจริงเธอจงปฏิบัติทำเป็นจริงเธอจงขึ้นความสงสัยทำเป็นจริ ง, รงร ส, สัมปรมัสสะเป็นแล้วจิงที่เกิดที่ดับกับสริงที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ว่าเราจะเอามาเป็นสงครามกันเอามาขึ้นสเตจจะห้ามไม่ได้เลยเธอจงทาลายความหลงความจนด้วยความเป็นจริงสักเธอจงทําความโง่ของตนให้หายไปด้วยปัญญาปัญญาสัก ถ้าเกษตรความปัญญาสักเมื่อเห็นไอ้นนกนนารค้าชีตต่างเราจะต้องแโลกทำไมเพราะเราจะเรื่องไอ้การนัน่ถ้าเราเห็นทุกขา้าชีตต่างเราจะตสองแสลงทำไมเพราะเราจะเรื่องควาทุกนั่นมันทะลุหมดนั่งอยู่เดียวเนี่มันทะลุโลกหมดเลยเพราะตายเราก็ะทัดอยู่ใต้อำนาในในใจไอ้เจ้งทุกขังอนาตานะโเรกวรแด้แก่ารนี่นี่หละ ป, ปัญญา ตมันได้จกักจุลจักจุลภาพปัญญาจากัจากจุลนักจุลปัญญา บ, บุคคลผู้จะรุกรุกจากกองหลวงของตนก็เพาะปัญญาแย่งท<ม>างเสองมอแตปัญญานี่มีมันท้ลุบดทะลุภูเขาเห็นอันนี้จังก็ทะลุภูเขาเพราะภูเขามันแจกเป็นมา<ม>ให้เรามาเกิดอีกเาน็นไหมหรือ เออเขามาเกิดเป็นอะไรอยา่างมาให้เรามาเกิดอีกถ้าเราไม่สงสัยในใจโลกธาตุเราเขาไม่มาถ้าเราเห็นว่าใจโลกธาตเนี่ยเต็มได้วยความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแปลกด้วยแตกสลายอย่างนี้แล้วมาเกิดอีกกี่ล้านร้านชาติคอตา ม, มันก็มีแต่เกิดขึ้นแปลกด้วยแตกสลายก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ทำาอาไรไให้เกิดแล้วก็เบื่อหน่ายทุกข์ครเบื่อหน่ายคนหลงกวนครับเราไม่สำคัญเอาผู้รู้เปเราเราเป็นผู้รู้ไม่สำคัญว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิต เราไม่ยึดถือกิดถ้าเป็นเราเราเป็นกิจกิเพราะว่างเราไม่ถือว่าผู้ลูกเป็นเราเราเป็นผู้ลูกผู้ลูก<ม>ก็ว่าเมื่อผู้ลูกก็ว่างคิดก็ว่างปฏิสนธิของเราก็ไม่มีเราตายในขณะนั้นก็เขาถือได้กว่านี่แค่นั้นหละงต่า ง, งาที่เราพูดเราพูดมากเขาเฉยเราพูดเป็นโลหานมหาลงถึงนั่นแหละด้านนายยอดเขาพูดภาษาุนทรบกันที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนัตตาเขาถึงอนัตาานนต า, าที่ก่อรักก็มีอนัตตาที่ก่อทำให้แย่น อนิสาอนิสาทุกคนทำให้แจ้งก็อนิวาอนิสาทุกคนรักก็คือบอนิสาทุกคนเจอคือบุญอ๋ตัวเดียวตัวเดียามปัญหาตัวเดียวสามปัญหาตัว มันต้องให้ใจเข้าออกพอเรารู้ว่าะลมให้แกเข้าออกมันเป็นอดีตแล้วเนอะพอเราบรรดาบว่าต้นลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบรรดาบว่าต่างลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบรรดาบว่าชายลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะเราว่ายุกหนอยอย่างนี้มันเป็นอดีตไปแล้วทองหนออย่างนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วเออถูกเวลาเรานึกขึ้นมันก็ทุกขณะกิ่มันเกิดดับโดยดับทุกคณะกิจติดกันเลยเป็นพืช นั่นนั่นมันเกิดดับเร็วจดจิตกันนั่นวิญญาณของเรายิ่งยิ่งละเอเียดกว่านี่เนอะชดกันกว่านี่หลายพันเท่าแล้วหนื่นเท่าเกิดดับเร็วที่สุดบุคคลเห็นความเกิดความดับในชีวิตอยู่ันเดียวยังนึกว่าผู้มีมาอายุร้อยปีมาเห็นความเกิดความดับควาสัมงันธเนอ เขาเห็นคเความบเนยมันจะเคนายความล้องของตนจะเคยรงมาทุกนี่สำคัญชงนี้ช่สคัญชน้สคัญงเี้มันดีอ่านหนังสือขาวหนึ่งขาวหนึ่งมันก็ถ้าเราสังเกตเนาะ จะต้องฟังเทศสองสิ่งนี้สุตธรรมะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากพิจารณาเหตุผลภาวนาภาวนามยตปัญญาปัญญาเกิดขึ้นโดยการพอนปัญญาสามอย่างนี้ต้องอาศัยกันสุตธรรมะปัญญาฟังสุตสังละพอใจปัญญาต้องไะเอียดถึงยอมได้ปัญญาจินตามะยะปัญญาเด้วยการคิดจะนา ภาวนามื่ปัญญาชักเราไปอิจฉาุดตามื่อไรปัญญาก็เปรียบเหมือนขวานถา่ายินตามาเมื่อปัญญาก็เปรียบเหมือนกดภาวนามื่อปัญญาก็เปรียบเหมือนชล็ดทไปทาหรือกระดาษทรายเินชั้นไหนก็ตามเมื่ปัญญาทำไปเรต่อย สิ้นข้อดาวันสิ้นยาชาคามีสิ้นยาคามีวมีปัญญาเขาม่ยดมัสดาวันไม่ใช่ได้อย่างรวงวหมดสิ้นห้าไม่ใช่ได้อย่างนี้ห้าไปยมุกส้ด่าวันต้องคิไม่เช่ได้อยากจะถือศาสดาอื่นไม่นช่ได้อยากจะถือเริ่ดียามดีไม่ใช่ไดยอยากจะเข้าใจว่าเราป่วยอยู่เดียวนี่ี่นั้นมาทำที่นี้มาทาไม่ใช่ได้เลย ไม่มีพ อ, อรบอกว่าร่างกายมีทุ ก, ก, อ, ก อ, อ, าาอย่างมีโทษว่ามีอาภาษณต่างๆก็หายามากินมาใช่มาทานมาฉันหรือเขาลงยาหายก็หายไม่หายก็ยอมตายต้องทำมัของของคนส่วนหนึ่าเกี่ยกับนดาวันไม่ได้ประกาศตัวนะไอ้เ น, นี่ยแล้วมันลูกเวรจองเรไทยหรืรอเป <c oughs> ลนน่าเขาทำผิดเท่าไรปลกลองโลคัสตารกคุณรคุณโลคัเมื่อชิบถึงพระศัวดาวันแล้ว <c oughs> เ า, าทักกาคำเนยนะคำเปิดโปงไปเองเลยถ้าคิดยังไม่ถึงพระสรีาวันกวนนะวนนะนั่นขอบกระดงเดินนั่นแหลออกเลยพระศรีาวันออกไปแล้วเนี่ยออกจากขอบกระดงไปแล้วเดินตรงแล้วเดินตรงเช่นฝั่งแล้วมองเช่นฝั่งเนี่ยฝั่งพระนิพานคือฝั่งความไม่รอบไม่โผไม่หลงฝั่งพระนิพาน เมื่อโลกโกรหลงไม่มีประมาณความเมื่อโลกไม่โกรไม่หลงก็ไม่มีประมาณเมื่อสังขารเกิดดับไม่มีประมาณทำอันที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีประมาณเราต ES ้องรู um. ้ตามไปจริงทั้งสองทางเนี่ยฉะนั้นพระบรมจรสดาจึงย hey ืนย ja ันว่าเราโูกสังขารตามเป็นจริงของสังขารเราโลกพันธุพานตามไปจริงของพันธุ์พานเราโย่โย่สมุติตามเป็นจริงของสมุติเราโลกยมุตตามเป็นจริงของ แต่เราไม่ติดอยู่ในเงินใดๆทั้งสิ้นถ้าเราติดอยู่ในเงินใดเงินหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้เพราะเราชักสิ่งเหล่านั้นลงสู่อนตชาทำแล้วจิตเป็นแต่สักว่าจิตก็รู้เป็นแตสักว่าผู้รู้เราไม่ติดอยู่ในผู้รู้และเราไม่ติดอยู่ในผู้ไม่รู้เราไม่ติดอะไรอะไรทั้งพวงเลยเราไม่ได้รักษาจิตของเราเพราะจิตของเรามันมีโทษจิตของผู้เสทั้งหลายเพื่อยังไม่พ้นทุกข์ไม่รักษามันก็พิดจริงจริงกันผูดอย่างนั้นเราไม่ทราบ ถ้าไม่สําคัญตัวอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วปัญหาของมันมันก็หมดเรื่องปัญหายึดของมันก็ว่างอยูือม่มีกลาวันเลยก็ว่างอยู่ไม่มีกลางวันเลยถ้าสําคัญว่าตอนอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันแต่ว่าอาศัยปัจจุบันเพื่อข้ามโลกแต่ไม่ได้เอาปัจจุบันไปพันธพานด้วยปัจจุบันกจิตปัจจุบันธรรมอาใช้ปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนักธรมเป็นแปดหมื่นสี่พมาขันเพื่อปฏิบัติ ทานวัตศีลวัตภาวนาวัตรวมลงในปัจจบันวัตแล้วสงสมาธิปัญญาก็รวมลงในปัจจบันเสียปัจจบันสมาธิปัจจุบันปัญญาเสียงแลว่าัดสียลงในปัจจบันสมาธิแปลว่าทั้งวันในปัจจุบันปัญญาเราพู้ในปัจจุบันเสียงของพระสวสดิบาลเสียงของระทาคามีเสียงของอนาคามีเสียงของพระหลานเสียงของพระสวสดาบาลเสียงของสกทาคามีอนาคามีเสียงของพระหลานพระหลานเป็นมหาศีนโมพระสสดิบาลนโมสกทาคามีนโมพระหลานนโมพระหลานเรียนนโมจบแล้ว คือหน้าโมแปลว่าว น, อ น, อนอบนอบนอบจนไม่มาเกิดใจเก็บตายนอนอมจนไม่มีกิเลสพุทธังสนาค า, ามิธรมมังสังฆังสนาคต า, ามิพระพุทธวันทศกัะฐามีอนาค า, ามิอาารรันกรมกันัเรียนใตรนะคมจบแล้วคมจนไม่มาเกิดใจเก็เกตายคมจนไม่มีโรคปวดหลงเัยนจบเก้าประโยคนแล้วพนันมรสีพ้นสีนพิพพานเสมหาพวกเรา มหาพพรมัสาทราจะข้างพรุทธการมหาอานนท์ก็พ้นจากเกลียดไปสัมหาขจปะก็พ้นไปจากเกลียดไปสัมหาอนุรุษะก็พ้นไปจากกิเลดไปสักว่มหาขตัปะก็พ้นไปจากกิเลดไปสักหลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็พ้นจากเกลียดไปสัหลวงพ่อพระมหาขจัปปะก็พ้นเกลียดไปหมดแล้ว หลวงพ่อพระยศกุณบุตรขอมัดจากกิเลสไปแล้วหลวงแม่ของมันกันหลวงแม่ปัญจาราหลวงแม่หลวงแม่ประชาพดีโคจามีพัตกาปิลานี่หลวงแม่ทั้งนั้นมาบวชเป็นหลวงแม่พระหลานเป็นหลวงพ่อพระรหลานเป็นมหาอรหันมัดมดเลยแต่พวกเราเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อหลวงแม่อะไรไม่ทราบนะ เป็นมหาอะไรไม่ทราบพวกเราทุกวันเนี่ยจะเป็นล้มหูล้มตาอะไรไม่ทราบเราเพวกเราเนี่ยแล้วอยแต่จะตรวจดูของใครของมนอันนี่ลุงพ่อแต่ก่อนก็าลงุงพ่อพระรหัสนี่ถ้า พ, พี่สู้หนุม่มเขาเป็นพระรหันน้อนส่วนมากถ้ามเรียนหนุม่มเป็นพระรหัสน้อยส่วนมากยานต่ำเขาอัสสะกตาคามีหรืออนาคามีหรือพระสวสดาวัน ในเมืองล้านจักรืมีพระสวัสดิ awan ตั้งหลายหมื่นนนเมืองล้นท่าก็เหมือนกันบ้านพระสาดีบททตั้งหลายหมื่นหลายแสนกุลุก็เหมือนกันกุลุรานสวัสริีก็เหมือนกันทั้งคารวาใแล้านระชิดด้วยนับหมื่นนับแสนเทศแต่ละบ่นละบาทแต่ละข้างละขาวเขบรรุมักฝนยฟ้าเนี่ยนับเป็นโกรดเชื้อรานยังเป็นโกด เรามามองดูสมัยทุกวันเนี่ยแล้วประก่าวตู่กันว่าสร้างวัดสร้างว่าอย่างนั่นอย่างนี้เออมันมากเกินไปมันอะไรเกินไป เ, ออเราจะคอยย้อนถามดูสดนินาถาเป็นที่กเกษตรถิ่นสร้างกระเป๋าเดียวมดสีเสผ้าโกดกระเป๋าเดียวโดวยไม่ได้จัดงานโดยไม่ได้แผ่ไม่ไขอไม่มีซองเขียวซองขาวเหมือนพวกเราน呐ะ อ, อืมกระเป๋าเดียวน่ะสีเสผ้าโกดสีเสื้้าโกดเอาสิไปคุณดูสิ สิบล้านเนี่นโกดสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเปสี่ส้าสิล้านห้าสิบล้านใช่ไหมนั่นแหะกระเป๋าเดียวแต่ทุกวันนี้ไม่กระเป๋าเดียวที่ไหนสร้างถึงขนาดนั้นเงินก็เป็นเงินจริงๆตัวเงินจริงๆอันนั้นไม่ใช่เงินกระดาษเหมือนพวกเรานั่งนายสาขาที่นี่ยสร้างวัดบุพพารามบุพพารามอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เมืองสาวัตถีป่าเชิดตะวันมหาวิหารของอาณาธะเป็นที่กเกษตรถีออยู่ทางทิโตะวัตกเฉียงใต้อันนี้สร้างถึงชิบเก้าโกรดนางกระเป๋าเดียวสร้างเทพารามชิบเก้าโกรดเอาซิไปคูณดูซิ 19. 19ชิบเก้าก็ซิบิหนึ่งมนชะิบมันชิบเก้าอยเกาซิบล้านใช่ไหมเห็นนันเราจะว่าข้างพุทธการด้อยพัฒนาไม่ถูก พัฒนาเจ้าของให้เป็นพระสสดาวันด้วยพัฒนาเจ้าของเป็นสักการะมีด้วยเป็นอนาคามีด้วยเป็นพระทหารด้วยทั้งอมิตธด้วยนับแล้วไปดูถูกข้างพุทธการไม่ไม่ได้ทีนี้เราจะดูถูก ป, ป่าก็ไม่ได้ทีนี้พระบรมศาสลารัตสรุก็ที่ป่าประสูตกก็ที่ป่าลุมพินีวันรัตสรุ่ําำบลพุทธคยา องอายุสังขารเวรวันสวนไม่ไผ่พระเจ้าพิมพิาสารแสดงธรรมจักรกับประวัตินะสูตรป่าอิสีไปแล้วพัฒนพิฆาตเนี่ยยกวันแขวงเมืองพาราณสีทําไมจึงว่าป่าอิสีพิทายกวันเพราะเป็นที่อยู่ของเนื้ออะพิทาตแปลว่าเนื้อยกวันวันวันนะวันนางแปลว่าป่าแสดงธรรมจักรก็แสดงที่ป่าอิสีพัฒนพคทายกวันบรรยัตชักขาบท ก็บัญญัติที่ป่าเชิตะวันมหาวิหารเป็นส่วนมากป่าเชิตะวันเชตดตะวันเป็นชื่อของป่าไม้ไกลจากบ้านยี่สิบห้ากิโลเมตรทั้งนั้นชั่วหาชั่วหา้าห้าร้อยขาธโนขาธโนหนึ่งสี่ศอกห้ารอยขาธ น, นูก็เป็นยี่สิบห้าเส้นทีนี้ถ้าเราจะจัดป่าออกจากพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็ไม่พบนั่น นั่นนั่นประไต้องไปเผาไฟไฟทิ้งอาันเยลุคคาโมลเลว่าซุนย่ากาเลพิสคารเธอทั้งหลายจงไปอยู่ไฟนะบอกอนุสสารเธอทั้งหลายจงไปอ น, นอนอยู่ที่ตลาดเนอะประการกดตางมุ่งอยู่ที่นั่นไม่มีนั่นแล้วขาฟผ้าเล็กผ้าน้อยเข้ามาตามถนนไม่ได้บอกกันนั้น ตัดป่าออกแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่พบไงเราก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้าวเชื้อสูตรจำพรรษาในเซนาสนาป่ามันมีอยู่เหมือนกันเรื่องป่าก็มีเรายินดีในที่สังกัดือว่ายินดีในเซนาสนาป่ามีอยู่เมื่อได้บอกว่าให้ยินดีในตลาดมาเราก็เถียงวันยังคำ่ำละ พวกอยู่นั่นก็สอนกันสีจะไปอยู่ที่ไหนอีกพวกนั้นก็แยกแยะแล้วก็สอนกันสีนั่นจะไปอยู่ที่ไหนอีกจะจับที่ไหนให้อยู่ที่นี่แล้วก็มายอมอีกเหมือนกันนี่พวกอยู่นั่นอยู่ทำไมทํา ไ, ม, าไมไม่สอนจะไปอยู่จะจับที่ให้อยู่มันจะมีที่ไหนจับแต่รถไปก็วันหนึ่งวันหนึ่งเดินทางในทะเลรถในกรุงเทพอะอวันยังค่าติดกันอยู่นั่น ฆ่ากัน่ให้พภาคเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกรุงเทพจะไปอยู่ที่ไหนอกีกนั่นให้เข้าไปอยู่ในหัวเมือก็เอาเถอะต่างจังหวัดไม่มีที่อยู่อกีกนั่นพิ่นั้นก็เทสทงสอนเพิ่มก็ปลาเขากงเทอยู่ป่าเดี๋ยวนี้กขข็ขี้เกียจเทสได้ไงแต่อยู่ปลาเนี่นั่น <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ได้เทศไม่ใช่ว่าอดเทศสไงถูกไห ม, มนั่นเราพิจารณาให้ชัดเนีไย คันธารธุวิปัสนาธุระอรเงี้ยลุกโมเรว่าสุนยาคาเรยพิโตรให้ยืนในเสนาสนป่าลุกโมเรเสนาสน า, ามา น, า น, านิทยาภพปชาแต่ท่าเตยาวชีวังุชา้าห้วกรณียกตันเตยาวชีวงังให้แสวงอยู่ป่าจนมันตายเนอนัดบอกอนุสาเนี่ยมหานีกายบวชก็บอกอย่างนั้นธรรมยุทบวชก็บอกอย่างนั้นทีนี้ถ้าอย่างนั้นจะบวชยังไงท่านท่านในงานก็บอกอนุสาไม่ได้นัน่นนัถ้ามาให้อยู่ป่า ไม่อยู่ป่าซะแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปทําอีกเพราะป่ามันหมดแล้วอันนี้พอฟังอยู่อย่าไปทําเสนาสนะอีกเพราะป่ามันหมดแล้วที่อยู่แล้วก็แล้ ว, ลวไปสักนะนี่มีเหตุผลพอฟังได้ถ้าจะไล่ออกนี่หมดมันก็เป็นศึกการละเอาในใจโลกธาตุ ที่นี่ศึกในต่างประเทศไม่มีเราก็จะเป็นศึกกษพระพุทธเจ้าที่นี่แล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่กว่ามันก็ยิ่งไปใหญ่กว่าพวกนั่นพวกอะไรพวกคอมมิวนิสต์มนักน่ะยิ่งไปใหญ่กว่าละมันก็ร่มศาสนาเอาจริงเกีงยงใช่ผอย่างนั้นพระตไตรปิฎกที่เกี่ยวกข้ปากเขไปเผ า, าทิ้งก็ไม่พอสี่ทิพย์เลียมเรียมไหนจะไม่มีป่าไม่มีพระตไตรปิฎกําเป็นเผาทิ้งหมดสี่ทิพย์เลียมหรือลอยเรียมเผาทิ้งหมดไม่ต่อเอาไว้ละนะักนะั่เราจะโตมันกันละเนี่ย ตายเป็นตายเราพระไต้พี่ดกแต่แรกนะเรื่องไม่ปาวงอนุญาตให้อยู่ป่ายนับแต่พระเวในบวชไปพรบวชออกมาแล้วก็บอกเกษาโรมาละฆ่าดันตาตาโจบอกกรรมฐานทานด้านนั้นเ น, นี่ยนะใครบวชนักเรียนก็าตามมหานิกายก็ตามก็บวชกรรมฐานนั่นเองไม่ใช่บวชนั่นอื่นเกษัโรมาละฆ่าดันตาตาโจอตาโจเกสาผมโรมาผลนขาแล็บดันตาฟัน ตะโจหนังเท่านี้พอแล้วพอไปเวลามีน้อยดอไปจึงศึกษาอีกให้พิจารณาเป็นของปฏิกูณเนอะถ้าไมพ่พิจารณาอันนี้เราเป็นอันตรายต่อผมมิจันท์ใครบวชชนิดไหนก็บวชกรรมฐานวัดจะยุบกรรมฐานจะยุบยังไงยุบไม่ได้ความเกิดแก่เฉบตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างเลยอย่างนัควาเกิดขึ้นแต่ควรจะแตกแต่ละก็เป็นกรรมฐานแต่ละอยอย่างจะยุบกรรมฐานจะยุบยังไงเกิดแก่เฉยตายก็เป็นกรรมฐาน ผมผลักฟันนั่งเงยเองกระดูกยงานกระดูกอมพอใจตาฟังเปิดตาปอดให่หญอ่อนอาหารให้่อาเก่าเป็นกรรมฐานจต่ละอย่างลอย่างธาตุสีดินน้ำไฟลาก็เป็นกรรมฐานเต็มโลกจะยุบกรรมฐานจะยุบยังไงนักแล้วก็ต่อสู้องเหมือนกันขาะแปลวิธีตั้งอยู่ของความเกิดขึ้นไปแปปวนนั้นแต่สะไปานะนั่เขาพูดกันเฉอย่างนี้นะเอาละนะเออสกวรแล้วเออเออเออเาให้นี่ นั่นบ้านนอกไม่ใช่เป็นประเทศไทยหรือนั่นคนป่าคนดอยนะยิ่งสอนเขามากคนอยู่ในกรุงเราไปจะสอนทำไมมีแต่มาหาเก่้าประโยคสอนทีนอนตายอยู่ทำไมถ <c oughs> ูกไหม <c oughs> เพราะปทับประสงอยู่ที่ดวงใจเนี่เป็นเหรียญเนี่ย<อ>ก็มดเรื่องหรอกน้อง ป, ปู่มาได้ทำเหรียญหรอกน้วงปู่ละไอยก็ทำไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำน้องปู่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเหรียญ ร, ร, ร, รูปเหรียญน้องปู่ม่ได้พิมพ์เลยคนอื่นเขาพิมพ์บางทีเขาพิมพ์รูปเขาถ่ายรูปมาเข้ามาให้อันหนึ่งสองอ่า น, น, น, นมีผู้มาขอร้วงปู่ก็ให้ให้ไป แต่หลวงปู่ห้ามขาดไม่ให้เขาทำเหรียญแต่ว่าเขาไปรักทำก็ไม่ทราบเนื้อแล้วก็ไม่รับรองแล้ะเขาไปรักทำรับรองก็บอกไม่ถูกคนขี้เรือมันมากเราก็จะพิดเขาไม่ได้เองเหมือนกันถ้าเราจะผิดเขาเขาค่ายกับว่าเราเอาแพ้เอาชนะเขาเราเราจะพิจารณเขาไม่ได้เหมือนกันถ้าเขาไม่กลัวบาปเขกระทำซะเราไม่อนุญาตเขาถ้าเราจะเอาเขามาใส่พุกเราก็ผิดเอง เราจะไปปอบเขาแล้วเขพิษอีกนี่ถ้าเขาไม่กลัวบาบเขาก็ล่วงละเมิดอ่ะเอบาบก็อยู่กับเขาอ่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีกผมอ่ะมาพาทำลูกผมว่าหาบัวของมาพาทำลูกผมอ่ะมาพาทำลูกผมว่าหาบัวมาพาทำไม่ลูกผมอ่ะก็มาทาแต่คนรอบทาของท่านเฉยๆที่มันเกิดขึ้น สี่ปีชาิ่ปีาพราสองพันสิบลานต่ทุก้า9ตัวสิบาเอ็ดสองทำมาหนภาพแล้วก็สี่ปีชตเยอะเนี่ยโอ้เยอะนี่แปดเทบแล้วเยอะนี่ทำไมท่ามท่านแก่พอตายแล้วเนี่ย หน้าคนมีกิเลสมากมันแดงหน้าคนที้โกรธคนที่โกรธพรนหน้าดบหน้าแดงชมิมีมีมีมีเี็กตายอยู่พทธธรรมทังนโกน ก็จะก็เรานิยมพุทโธธโมทังโโมันก็เม็ตานิยมสิยอดยอดยอดเสน่ห์นะอยากไม่เสน่ก็จงให้ทานอยากไม่อายุยืนนานก็จงรักษาศีลไม่อยากคิดหายก็อยา่าเล่นอบายยมุก อยากรวยมันก็ยิงไม่รวยลนะ่ะมันเสียฟังลัดะจะไปหวังกับมันทำไมแล้วก็เที่งฟื่อนสายไฟแล้วก็แล้วก็ทิง้งกระดาษสายไฟแล้วก็จะหวังเอากระดาษเคลืนมามก็ไม่แต่คิดเท่านะดีไม่ดีลมปิวพัดไปไม่ได้ท่านคิดเท่าด้วยผู <c oughs> ้บัสชาบันไม่ใช่ได้เรียนเลขเนออคุณไม่อยากเป็นผู้บสราบันหรือจึงจะไปเล่นเลข ไม่ใช่ได้อยากลองแล้เมื่อเช่นห้าไม่เช่ได้อยากถือสาปตาอื่นไม่เช่ได้อยากจะสาปแค่งสัปให้มันชิบหายให้มันตายคว่ํำอย่างนี้ไม่มีถ้าโกรธให้เขาปกรธเฉยๆไม่ได้อาคาดไม่จองเวรนั่นพระสวสดิวันความโกรธของท่านไม่ถึงกับลงนรกส่วนพระอนาคามีไม่มีแค่แล้วอ๋อตอนนั้นยิ่งไกลละ ความของท่านเนี่ยอยู่แต่ไม่ผูกวเวนพระตัวดาวันแต่ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ยุ่งกันอย่างนี้ก็ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่หลงอกีกด้วยที่แรกเขาหลงนานมาไม่หลงเนอกแต่ลูกผูไม่หลงเลยเพราะมันเคยแนละ้ว ภาวนาเน้อใกล้จะตายมากำหนดลมเน้อเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นแล้ตายขานั่นเน้อตายขานั่นก็ไม่มาเกิดอีกละนะไม่ว่าเกิดอีกหรอกไม่อยากดูมานะไม่อยากมาหรอถ้าไม่อยากมามันไม่ได้มาหรอกแต่ไม่อยากว่าพูเนี่ยยังไม่ได้มานี่อยากมามันจึงได้มาเนี่ยที่แล้วไม่มีคน่กล้าเนี่ยออยู่บ้าน ปปอืมนั่งจับอืม อ, อืมอื ม, อมพ่อทำได้แล้วปู่ไม่มีอภิในหานพอที่จะบอกเขาได้แล้วคุณต้องมาทำสิ <c oughs> ที่นี่สำหรับหลวงปู่เรื่องปัจจัยสี่มันเป็นเรื่องของญาติโยมไม่ใช่เป็นเรื่องของหลวงปู่หลวงปู่มีหน้าที่ภาวนาเท่านั้นมีหน้าที่ปฏิบัติเท่านั้นเอออย่าก็ตาโยนี่สี่ทุกท่านหน้าจงเป็นจุกนะพุทธาสงฆ์อยู่ทุกหน้าเถิดโยนี่สี่ทุกท่านหน้าผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไครด้เกิดพุทขึ้น หรือหากว่าสิ่งที่มีวิญญาณความเสียงอยู่ในโลกต้องเป็นสุขนพุทธธรรมสมอยู่ทั้งหน้าเถิดอันนั้นก็มีความหมายอันเดียวกันกับโยนิสีโยนิสีนั่นเป็นคําย่อผู้เกิดในครันในไข่ผู้เกิดในครันในไข่ในเท่าในไข่เรียกว่าโยนิสีโยนิสีแปลว่ากําเนิดสีําเนิดที่เกิดกาเนิดเขาอ่านว่าเป็นกาเนิดหรือกําเนิดกําเนิดนะเออกาเนิดสีนั่ผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่จะเกิดพุทธเกิดโยกำเนิดสี สิงที่มีงานคองสีลก็ตั้งใจโลกธาตุจงมาสุกในพุทธมัทสุกในทุกหน้าเถิดอันนี้ก็ถูกมีความหมายอันเดียวกันแต่ได้ความหมายเป็นสุกในพุทธมัทสุกมันเป็นสุกในถวายหลังเป็นสุกในอมิตมันเป็นสุกทวายหลังเนาะถ้าเป็นสุกในพุทธมัทสุกเป็นสุกในพระสอัดาวรนสกทาคามีนาคามีอรหันมันเป็นสุกในทวายหลังสุกถอยหลังมันก็สุกในโลกีมันถอยหลังมันไม่แน่นอนสุกในโรกุตระมันไม่ถอยหลังและมันก็มีอุดมมันก็มีวัตถุนิยยมไปด้ว สุกอนนะั้นสุกในโลกุตระก็มีวัตถุนิยมดึงไปด้วยเหมือนกันเพราะมันเครื่องดึงดูดซับในใตไตรโลกธาตุแม่ทอดซับพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องขึ้นซับของซับพระพุทธศาสนาทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติด้วยแต่คนทั้งหลายไม่รู้พระไตรปิฎกทัานก็ยืนยัยนแล้วว่าซับในพระไตโรโลกธาตุนับแต่คนมาโลกลงมาเป็นซับของพระพุทธศาสนา ทั้งวัตถุนิยมด้วยทั้งอรารมณคติด้วยเอ้าพระชวดาวันแต่ละองค์ละองค์จ้างไปฆ่ากี่ล้านบาทจึงจะคุ้มค่าเอาไปค่าทิ่งนั่นมีคุณค่ามากคําสอนแต่ละวรรบาดเอ้ามีคุณค่ามากซับเต็มแผ่นผ้าแผ่นเดนินจะมาซื้อคําสอนแต่ละวรรบาดก็ไม่คุ้มค่านั่นเพราะนี้พอแล้วเนี่ย ถ้าทำคำสอนของพระองค์มันมันหมดไม่เป็นใครเอาไปปฏิบัติมันก็ได้ทั้งนั้นคนนั้นเอาไปปฏิบัติแล้วหมดแล้วมันไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกนั่นเหตุฉะนั้นจริงว่าคําสอนของพุทธศาสนาทรัพย์ในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาหมดหลวงปู่อบูชาหมดแล้วทรัพย์ของพวกคุณพวกคุณไม่ฉลาดก็ไมา่ไม่บูชาก็นอนเฝ้าอย่างนั้นหลวงปู่บูชาหมดแล้ว ทัพย์ในใจโลกท่านเนี่ยนับแต่ผมลงมาโลกลงมาจนถึงมนุษย์โลกข้าพเจ้าขอบูชาพราะพุทธธรรมพระสองฆ์หมดเขานำลายขององค์ท่านเราพูดอย่างนี้แล้วพวกคนบูชาไม่เป็นก็นอนเฝ้าอยู่นั่นมันจะไม่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเพราะเราในรักของเขาเขาก็แค่ของเขาได้ตามสบายอยู่แบบนี้น้ำซ้ำสักคนร่กายวายใจยยของของข้าพเจ้านี้เล ไ, ได้ไม่เได้ก็ดี จะทวนถวายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคมสมบัตินิพานสมบัติโบชาพระพุทธธรรมระสง์อยู่ทุกมง ม, มีประมาณเลือดทุกเดชจะโบชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมืองมีประมาณหลวงู่อธิษฐานอะอย่งงรรางนั้นสักคนละกายสักคนละวาจาสักคนละใจแล้วเลือกได้เลือกได้ก็ดีจะอุทิศให้พระพุทธธรรมประสงค์ขี่รถเกี่ยวรถเหยียบดั่มชนนํำลายคายน้ำมูกใส่อยู่ทุกเมงมีประมาณแล้วคนทุกนาว่าาสงสารโดย่วนเนีปัจจุบันในชาตินี้เถิดนะหลวงปู่พิจารณาอย่างนั้น เรากหล้านยำไม่ทําทำสักไม่ว่าจะถึงสุดทตา ต, ตีละลูกหล้านเออถึงอยู่ทุกเมื่อเลือดได้ไม่ไ ด, ไ, มได้ก็ดีถึงเราพุทธธรรมปร ะ, ประสงค์เลือดทุกหยดจะ บ, บูชาเลยบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ลูกหล้านไม่ได้ว่านะพรทิธิมากใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหม